าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจฐารแกล้วกล่าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาอย่างนี้และได้กล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอานน์เธอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกะถาและได้กล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลและถึงนั้นแล ว, ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ บุคคลคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรละถึงอานนลบุคคลคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่คํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรละถึงอานนล บุคคลไม่คํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรละถึงอนนุนบุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรละถึงอนนุนบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลง้อนง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไร ละถึงอานนบุคคลง่อนแงนในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรละถึงอานนบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้สุคศสาสดาครั้นตรัสเวยากรณะภาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่า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 ที่สองจบ 3. ม, มหากัจจานะพัเทกรัตตสูตรว่าด้วยพระมหากัจจานะแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ ข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะตโปทารามเคครุงราชครื้ครั้งนั้นแหลท่านพระสมิทธิลุกขึ้นในราตรีตอนใกล้รุ่งเข้าไปยังสะตะโปทะเพื่อสงน้ำสงเสร็จแล้วดดวยกลับมายืนนุ่งผ้าผืนเดียวผึ่งตัวให้แห้งอยู่ขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไป เทวดาองค์หนึ่งมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วสะตะโปทะเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วยืนณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิอย่างนี้ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมท่านพระสมิทธิกล่าวว่าอาตมาภาพจำไม่ได้ ส่วนท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้อันหนึ่งท่านจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมอาตมาภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียน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 ผู้มีอายุอาตมาภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมเทวดากล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็จาไม่ได้อันหนึ่งท่านจำคาถาอันแสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าพระองค์ตอบว่าอาตมาภาพจาไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมเทวดากล่าวว่าภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็จาไม่ได้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 ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระสมิธิทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาประพันนิว่า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 ผู้มีพระภาคผู้สุคศสาสดาครั้นตรัสคาถาประพันธนี้แล้วทรงลุกจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้เกิดความสงสัยว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว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 ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจากมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมั จ, จุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียนไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกจากพุทธาฏ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 ก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิดารให้พิดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่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 ผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานเราทั้งหลายได้เกิดความสงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอด่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคล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 กับท่านมหากัจจานะขอท่านมหากัจจานะจงชี้แจงเถิดท่านพระมหากัจจานะจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่และเลยโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไปเขาเข้าใจว่าแก่นไม้ต้องสแสวงหาที่กิ่งและใบแม้ฉันใดข้ออุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นเมื่อพระศาสด า, สดาทรงปรากฏเฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ละเลยพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นไปและพึงเข้าใจเนื้อความนั้นว่าต้องสอบถามกับกระผม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 เป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่เราทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดเราทั้งหลายจะพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นอันหนึ่งท่านพระมหากัจจานะเป็นผู้ที่พระาศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพระมารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรเสริญแล้ว และท่านพระมหากัจจานะสามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอท่านพระมหากัจจานะไม่ต้องหนักใจชี้แจงเถิดท่านพระมหากัจจานะกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้ว ท่านพระมหากัจานะจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอ่อไว้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลและถึงนั้นแลวว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิดารทรงลุกจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปอย่างที่ประทับ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 บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในจักขุและรูปนั้นว่าในอดีตเรามีจักขุอย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าคานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงนั้นว่าในอดีตเรามีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นนั้นว่าในอดีตเรามีคานะอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสนั้นว่าในอดีตเรามีชิวหาอย่างนี้ มีรถอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในกายและโภทพะนั้นว่าในอดีตเรามีกายอย่างนี้มีโภทพะอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์นั้นว่าในอดีตเรามีโมโนอย่างนี้มีธรรมารมณ์อย่างนี้เพราะวิญ ญ, ญ, ญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะ บุคคลจึงยินดีมโนโและธรรมรมนั้นบุคคลเมื่อยินดีมโนโและธรรมรมนั้นจึงชื่อว่าคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล บุคคลไม่คํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในจักขู่และรูปนั้นว่า <c oughs> ในอดีตเรามีจักขู่อย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีจักขู่และรูปนั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีจักขูและรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่คานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว วิญญาณไม่ม so ีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงนั้นว่าในอดีตเรามีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นนั้นว่าในอดีตเรามีคานะอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสนั้นว่า ในอดีตเรามีฉิวหาอย่างนี้มีรถอย่างนี้วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐะนั้นว่าในอดีตเรามีกายอย่างนี้มีโผฏฐะอย่างนี้วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์นั้นว่าในอดีตเรามีมโนอย่างนี้มีธรรมารมณ์อย่างนี้ เพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับชันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีมโนและธรรมรมนั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีมโนและธรรมรมนั้นจึงชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล บุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีจกักขคูอย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะความตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงยินดีจกักขคูและรูปนั้นบุคคลเมื่อยินดีจกักขคูและรูปนั้นจึงชื่อว่าหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงตั้งจิต <c oughs> เพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่า ในอนาคตเราพึงมีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีคานะอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีชิวหาอย่างนี้มีรสอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีกายอย่างนี้ มีโพธพะอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีมโนอย่างนี้มีธรรมารมอย่างนี้เพราะความตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงยินดีมโนและธรรมารมนั้นบุคคลเมื่อยินดีมโนและธรรมารมนั้นจึงชื่อว่าหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลาย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 เพราะความไม่ตั้งจิตเป็นปัจจ ouais. ัยบุคคลจึงไม่ยินดีจากขู่และร ah> ูปนั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีจากขูและรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีคานะอย่างนี้ มีกลิ่นอย่างนี้ tz. ไม่ตั้งจิตเพ네ื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีชิวหาอย่างนี้มีรสอย่างนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีกายอย่างนี้มีโพธพภะอย่างนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีมโนอย่างนี้มีธรรมารมอย่างนี้ เพราะความไม่ตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงไม่ยินดีมโ น, โนและธรรมารมนั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีมโนและธรรมารมนั้นจึงชื่อว่าไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แล บุคคลง่อนแงนในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในจักขุและรูปทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อยินดีจักขุและรูปจึงชื่อว่าง่อนแงนในธรรมที่เป็นปัจจุบัน วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในกายและผู้ทัพภะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมรมณ์ทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้น เพราะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงยินดีมโนและธรรมารมณนั้นบุคคลเมื่อยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าง้อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลง้อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล บุคคลไม่งอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในจักขุและรูปทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่งอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบัน วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในกายและโภภพธภะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมรมทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้น เพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับชันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีมโ น, โนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าไม่ง้อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่ง้อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อไว้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลและถึงนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับท่านผู้มีอายุทั้งหลาย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 พระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลและถึงนั้นแลวว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่สรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาดเสด็จเข้าไปยังที่ประทับเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานข้าพระองค์ทั้งหลายได้เกิดความสงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อกแก่เราทั้งหลายว่า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 แล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิดารทรงลุกจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปอย่างที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิดาราให้พิดาราได้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้คิดว่าท่านพระมหากัจานะน้แลเป็นผู้ที่พระสาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจรีผู้รู้ทั้งหลายก็สรเสริญแล้ว และท่านพระมหากัจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจานะถึงที่อยู่แล้วพึงสอบถามเนื้อความนี้กลับท่านพระมหากัจานาครั้งนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายได้พากันเข้าไปหาท่านพระมหากัจนะถึงที่อยู่ แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะท่านพระมหากัจจานะได้ชี้แจงเนื้อความแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอาการเหล่านี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหากัจจานะเป็นบัณฑิตภิกษุทั้งหลายมหากัจจานะเป็นผู้มีปัญญามาก แม้ว่าเธอทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กับเราเราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นเหมือนกับที่มหากัจารณตอบเรื่องนี้มีเนื้อความดังนี้แลเธอทั้งหลายจงทรงจำเรื่องนั้นไว้อย่างนี้เถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรพัพภาสิทธิ์นี้แลภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล มหากัจจานะพัทเทกัรตสูตรที่สจบ 4. โลมสกังคียะพัทเทกรัรตสูตรว่าด้วย ทรงแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมสกังขียะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถ บ, บิณิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแหลท่านพระโลมสกังขียะอยู่ที่นิโครธารามเขตกรุงกบิลพั์แคว้นสักกะ ขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปจันทนะเทพบุตรมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วนิโครทารามเข้าไปหาท่านพระโลมสักังคียะถึงที่อยู่แล้วยืนณนที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระโลมสักังคียะอย่างนี้ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหม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 พิกสุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปันทุกัมพลศิลาอารที่ควงไม้ปริชตตกะในหมู่เทพชั้นเดวดึงณนะที่นั้นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เทพชั้นเดวดึงว่าบุคคลไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง